สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบาท น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดระเยซูตอนที่ห้าร้อยสามสิบเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สามสิบห้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระชนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบนะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่ยี่สิบสองจนถึงข้อที่ยี่สิบห้าซึ่งต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับฮีบรูทที่สิบข้อยี่สิบสองถึงข้อยี่สิบห้า ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อและขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทาอย่างไร จึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วเวลาที่เราเรียนพระกัมพีนั้นหลายหายครั้งทีเดียวบางคนมักจะบอกว่าเรียนไปทําไมไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตฉันเลย ในขณะที่พี่น้องกําลังฟังพระธรรมฮีบรูที่ผมได้พยายามอธิบายได้พยายามทําความเข้าใจและหนุนใจพี่น้องมาหลายครั้งนะครับนับมาถึงวันนี้แล้วก็สามสิบห้าครั้งและในภาพใหญ่ภาพรวมในชุดเพเยชู ต, ตอนที่ห้าร้อยสามสิบหลายหลายท่านก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างหลายหลายท่านฟังแล้วก็เลิกฟังไปหรือบางครั้งจิตวิญญาณตกต่ําหรือมีความต้องการก็กลับมาฟังอีก มีคนหลากหลายที่ตอบสนองต่อการรับใช้ที่ผมได้มีโอกาสรับใช้ท่านพี่น้องครับเวลาที่เราเข้ามาถึงบทเรียนยากๆหลายหละคนนี้ก็มักจะไม่สบายใจและไม่อยากที่จะเรียนต่อหรือบางครั้งเวลาที่พี่น้องไปฟังเทศนาที่โบสถ์เมื่ออาจารย์เริ่มเทศอะไรที่เป็นภาคทฤษฎียากๆเราก็จะหลับกันแต่พี่น้องครับ มาดูในพระธรรมฮีดรูบทที่สิบนี้เราจะเห็นว่าตั้งแต่ที่ผมได้มีโอกาสแบ่งปันมานั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ค่อนข้างจะมาถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งค่อนข้างจะแรงนะครับถามว่าแรงคืออะไรครับแรงคือว่าขณะที่พระธรรมฮีดรูบทที่สิบนั้นเขียนถึงทฤษฎีนะครับ ในภาคของหลักความเชื่อที่เข้มแข็งเข้มข้นอยู่นั้นผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนั้นก็กลับมาสู่เรื่องของการประยุกใช้หรือการนามาใช้อย่างฉับพลันทันท่วงทีนะครับผมจะเริ่มในข้อที่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดที่เมื่อวานนี้ได้พูดไปแล้วเพราะเจ้านของพระเจ้าได้กล่าวว่าให้เรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยพระหิตของพระเยซูพี่น้องครับ ขณะที่ท่านพูดถึงพระโลหิตของพระเยซูขณะที่ท่านพูดถึงระบบการถวายบูชาท่านกลับมานุน จ, จิตชูใจพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นคนเสียงให้เรามีใจกล้าให้เรามีใจกล้าเพราะพระเยซู ท, ทรงเปิดทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตหลายคนไม่กล้าที่จะรับใช้พระเจ้าหมายหลายคนที่จะไม่กล้าที่จะเดินตามพระเจ้าเป็นสาวกของพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่แน่ใจ หรือบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเอจะเปลืองตัวหรือเปล่าที่จะรับใช้พระเยซูเอจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นความกลัวหรือบางครั้งบางคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผู้รับใช้ค น, น อ, อื่นๆหรือการรับใช้พระเจ้าของคนอื่นๆทําให้ตัวเองนั้นไม่อยากจะรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากในเช้าวันนี้พระเจ้าอาจจะตรัสกับพี่น้องว่าให้มีใจกล้าที่จะเข้าไปรับใช้พระองค์ ให้ ม, มีใจกล้าที่จะเดินในทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตสำหรับชาวยิวนะครับเขาเนี่ยมีความผูกพันยึดติดกับธรรมบัญญัติเดิมที่เขามีอยู่หลายครั้งทำให้เขามีความกลัวไม่แน่ใจว่าทางพระเยซูจะถูกต้องจริงๆหรือเปล่าผู้เขียนฮีบูกำลังบอกกับพวกเขาครับว่าคุณไม่ต้องห่วงขอให้คุณมีใจกล้าที่จะเข้าไปและท่านจะพบกับทางใหม่และชีวิต เปเยซูได้ทรงเปิดทางนี้ออกให้กับเราทั้งหลายโดยพระวรากายของพระองค์คือการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนครับและตรงนี้นี่เองแล้วทั้งหลายจึงกลายเป็นครอบครัวเดียวกันในข้อที่ยี่สิบเอ็ดและเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เนื้อหมู่คนของพระเจ้าคําว่าหมู่คนของพระเจ้านั้นแปลว่าครอบครัวของพระเจ้าครับน่าสนใจนะครับทําไมแปลว่าครอบครัวของพระเจ้า หมู่คนของพระเจ้าที่มาอยู่รวมกันภายใต้ไม้กางเขนนั้นถือว่าเป็นพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันครับที่นี่ได้พูดถึงพณะนิเวศ ท, ที่พระเยซูได้เสด็จเข้าไปและพระเยซูทรงเปรียบเสมือนกับเป็นม่านนะครับและม่านนี้ก็ฉีกออกเพื่อเราจะสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ผู้เขียนที่รูรพยาายมอย่างมากนะครับที่บอกกับพวกเราว่าเราต้องมีใจกล้าคําว่าใจกล้านั้นมีความหมายถึงเสรีภาพครับ เราจะมีสติภาพที่จะเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดหรืออภิสุทธิ์ที่สถานโดยพระหิดของพระเยซูที่บริสุทธิ์ที่สุดครับที่พูดถึงตรงนี้ก็คือว่าที่บริสุทธิ์ที่สุดในสวรรค์ก็คืออภิสุทธิที่สถานเราสามารถเข้าไปได้โดยพระเราหิตของพระเยซูที่หลั่งไหลออกมาแม่งเียนเราสามารถเข้าไปในสถานที่ที่พบกับพระเจ้าได้นะครับนี่คือสิ่งที่เนื้อกว่า ของการสิ้นผชนของพระเยซูและถือว่าเป็นทางใหม่เป็นทางที่มีชีวิตที่พระเยซูได้เปิดออกสำหรับเราทั้งหลายทุกคนในข้อยี่บสองถึงยี่บห้าครับผู้เขียนเพียมพิบกว่าให้เรามีใจกล้าเข้ามาด้วยใจจริงนี่เป็นประการแรกนะครับประการที่สองก็คือว่าให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายได้รับไว้โดยไม่หวั่นไหวถามว่าทาไมถึงไม่หวั่นไหวครับ เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสั์ซื่อนี่เป็นประการที่สองที่ผู้เขียนฮิบรูนั้นได้จําไปในเรื่องของการปฏิบัติครับจําไปในเรื่องของการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันคือไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งไม่ทิ้งอะไรครับไม่ทิ้งความเชื่อที่เรามีอยู่ไม่ทิ้งหลักคําสอนที่พระคัมภีร์ได้สอนเรานะครับนี่เป็นประการที่สองถามว่าทําไมไม่ทิ้งครับเรามีความหวังเพราะเหตุว่า พระเจ้าผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นสัตย์ซื่อเราจะไม่ทิ้งพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทำกับเราประการที่สามครับเพื่อให้เป็นเหตุให้มีการหนุนจิตชูใจกันถามว่าทำไมครับเราต้องพิจารณาดูกันและกันครับเพื่อเป็นเหตุให้มีความรักและกระทำการดีอันนี้อยู่ในข้อที่ยี่สิบสี่นะครับ ขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทําอย่างไรจรึงจะปลุกใจซึ่ง ก, กันและกันและให้มีความรักให้มีมีการทําดีเกิดขึ้นพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องเตือนสตินะครับพิจารณาดูนะครับว่าเราจะปลุกใจให้กําลังใจนุนจิตชูใจกันให้พี่น้องที่อยู่ในครอบครัวของพระเจ้านั้นมีความรักและกระทําการดีต่อกันพี่น้องครับคําว่าพิจารณา หมายความว่าต้องสังเกตวิเคราะห์นะครับความหมายโดยตรงก็คืออย่านะครับอย่ามองตัวเองอีกต่อไปเลิกมองตัวเองและสังเกตจะถึงความต้องการของคนอื่นสังเกตดูผู้อื่นครับรักตัวเองมานานแล้วรักตัวเองมาพอแล้วนะครับเราจะต้องรักคนอื่นให้มากขึ้นเราจะต้องอธิษฐานเผื่อคนอื่นให้มากขึ้นอธิษฐานเผื่อตัวเองและครอบครัวมานานแล้วเราจะต้องอธิษฐาน เพือคนอื่นและครอบครัวคนอื่นในครอบครัวมากๆพี่น้องในครอบครัวของเรานะครับการกระตุ้นการเตือนสติเพื่อเป็นเหตุให้พี่น้องได้ทําดีต่อกันให้เราเกิดความรักต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบให้เกิดความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณก็คือการพัฒนาชิตคริสเตียนนะครับสิ่งที่จับต้องได้ก็คือว่าถามตัวเองครับว่าเราเลิกสนใจตัวเอง หรือเราสนใจตัวเองน้อยลงหรือเปล่าและหันไปให้กำลังใจให้การเตือนสติให้คำนุงใจผู้อื่นแทนนะครับประการสุดท้ายครับประการที่สีก็คืออย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างคนที่คนบางคนที่ขาดการประชุมอยู่พี่น้องครับ ในขณะที่ความเสื่อมซามข่อยวิญญาณเริ่มคืบคลานเข้ามาหรือโลกนั้นมีอิทธิพลต่อชุดคริสเตียนสิ่งหนึ่งที่เลือนหายไปในชุดคริสเสียนก็คือว่าความสม่ำเสมอความสัตย์ซื่อในการร่วมน้มาสการกับคริสตจักรท้องถิ่นพี่น้องครับคริสเตียนยุคแรกชาวยิวเหล่านี้เข้าท้อแท้สับสนเกี่ยวกับความเชื่อมตัวเองในพระเยซูเมื่อเขา ไม่รู้จักพระเยซูอย่างที่พระองค์เป็นพวกเขาก็ท้อถอยและพวกเขาถูกทดลองจากโลกให้ถอยออกจากความเชื่อความฉับซืความจงรักภักดีที่มีต่อคริสตจักรท้องถิ่นบางครั้งบางคนในคริสตจักรท้องถิ่นทําให้พวกเขาได้ท้อถอยท้อใจหรือสะดุดในที่นี้ผู้เขียนพระธรรมคีรุว์พระเจ้ากําลังหนุนใจคริสเตียนครับ บอกว่าให้เราให้ความสําคัญต่อการไปร่วมนมัส ก, การกับพระกายของพระองค์คือคริสตจักรท้องถิ่นนอกจากนี้ในสมัยนั้นเราคริสเตียนที่หวั่นไหวถูกคมเหงก็ล ะ, ล, ะละเลยในการประชุมกับคริสตจักรท้องถิ่นพนะครับยิ่งใกล้วันที่พระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่สองเราต้องยิ่งเตือนสติกันและการให้มากขึ้นนะครับผมอยากจะสรุปในวันนี้นะครับ ทำเตือนสติสี่ประการก็คือนะครับหนึ่งให้จงรักพักดีจงรักพักดีต่อหลักความเชื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อสิ่งที่พระเยซูส่งเป็นสองให้เราสัตซื่อครับสัตซื่อยึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายรับไว้อย่างไม่หวั่นไหวประการที่สามเราต้องหนุนจิตชูใจให้กำลังใจเพื่อให้คริสเตียนอยู่ด้วยกันด้วยความรักและทำความดีต่อกัน และประการที่สี่ให้มาโบสถ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะมีสามัคคีธรรมพินับการมาโบสถ์อย่างสม่ำเสมอนั้นเราถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นคนอื่นก็จะช่วยเราครับขอพระเจ้านำพาให้เราไปถึงบทประยุกต์ใช้การนำไปใช้หลักการปฏิบัติทั้งสี่หลักนี้ด้วยจิตใจที่พร้อมที่จะเชื่อฟังภรวจนะของพระเจ้าอาเมน